13. อยากดูของจริงก็ปล่อยให้กายให้ใจอยู่กับความจริงวงเล็บเปิด30พฤศจิกายน2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที48วงเล็บปิดเราอยากดูของจริงก็ปล่อยให้กายให้ใจอยู่กับความจริงไม่ใช่ไปดัดแปลงผู้ปฏิบัติไปหลงกลตรงที่ว่าไปพยายามบังคับกายบังคับใจไปแทรกแซงมันเลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้พอปล่อยแล้วง่าย ไม่มีคนด้วยซ้ำไปไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ความสุข